เรื่องให้ทาน้ำมันสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธภิกษุทั้งหลายช่วยกันเอาน้ำมันมาทาให้ท่านท่านถึงแก่มรณภาคภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไร พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จากฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่มีความประสงค์จากฆ่าไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่45สหสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จากฆ่าจึงช่วยกันเอาน้ำมันมาทาให้ท่านท่านถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่า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 ภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่าจึงช่วยกันเอาน้ำมันมาทาให้ท่านแต่ท่านไม่ถึงแก่มรณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทสราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความประสงค์จะฆ่า พระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอาบัติการาชิกแต่ต้องอาบัติทุลใจวงเล็บเรื่องที่47